ประสูติได้เจ็ดวันพระชนนีที่หวงคดถูกแล้วอาโน์ถูกแล้วอาโน์จริงเทียวมารดาแห่งโพธิสัตว์มีชนมายุน้อยเมื่อประสูติพระโพธิสัตว์แล้วได้เจ็ดวันมารดาแห่งโพธิสัตว์ย่อมสวรรคตรย่อมเข้าถึงเทวนิกายชั้นดุสิตทรงได้รับการบำเรอ ภิกษุทั้งหลายเราเป็นผู้ละเอียดอ่อนละเอียดอ่อนอย่างยิ่งละเอียดอ่อนอย่างที่สุดดังเราจะเล่าให้ฟังภิกษุทั้งหลายเขาขุดสระสามสระในวังแห่งบิดาของเราในสระหนึ่งปลูกอุบลคือบัวเขียวสระหนึ่งปลูกปทุมคือบัวหลวงสระหนึ่งปลูก บุญทริกคือบัวขาวเพื่อประโยชน์แก่เราภิกษุทั้งหลายไม่ใช่ว่าจันที่เราใช้อย่างเดียวที่มาแต่เมืองกาสีถึงผ้าโพกเสื้อผ้านุ่งผ้าหม่มก็ล้วนมาแต่เมืองกาสีภิกษุทั้งหลายเขาคอยกั้นสเสวยตชัดให้เราด้วยหวังว่าความหนาว ความร้อนละอองญ้าหรือน้ำค้างอย่าได้ถูกต้องเราทั้งกลางวันและกลางคืนภิกษุทั้งหลายมีปร า, าสาทสำหรับเราสามหลังหลังหนึ่งสำหรับฤดูหนาวหลังหนึ่งสำหรับฤดูร้อนและหลังหนึ่งสำหรับฤดูฝนเราอยู่บนปร า, าสาทสำหรับฤดูฝน ตลอดสี่เดือนฤดูฝนให้เขาบำเรออยู่ด้วยดนตรีอันปราศจากบุรุษไม่ลงจากประสาทภิกษุทั้งหลายในวังของบิดาเราเขาให้ข้าวสุกแห่งข้าวสาลีเจือด้วยเนื้อแก่ทาตและคนงานเช่นเดียวกับที่ที่อื่นเขาให้ข้าวปลายเกลียนกับน้ำส้มแก่พวกทาตและคนใช้ ภิกษุทั้งหลายเมื่อเราเพียบพร้อมไปด้วยการได้ตามใจตัวถึงเพียงนี้มีการได้รับความประครบประห่มถึงเพียงนี้ความคิดก็ยังบังเกิดแก่เราว่าปุถุชนที่ไม่ได้ยินได้ฟังทั้งที่ตัวเองจะต้องแก่ไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้แต่ครั้นเห็นคนอื่นแก่ก็นึกอิดหนาระอาใจ สอิสเสียนไม่นึกถึงตัวเสียเลยถึงเราเองก็เหมือนกันจะต้องแก่ไม่ข้ามพ้นความแก่ไปได้แต่ว่าเมื่อจะต้องแก่ไม่พ้นความแก่ไปได้แล้วจะมาลืมตัวอิดหนาราใจสอิสเอียนเมื่อเห็นคนอื่นแก่นั้นไม่เป็นการสมควรแก่เราภิกษุทั้งหลาย เมื่อเราพิจารณาได้เช่นนี้ความมัวเมาในความหนุ่มของเราได้หายไปหมดสิน้นภิกษุทั้งหลายปุทุชนที่ไม่ได้ยินได้ฟังทั้งที่ตัวเองจะต้องเจ็บไข้ไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้ครั้นเห็นคนอื่นเจ็บไข้ก็นึกอิดหนาระอาใจสะอิดสะเอียนไม่นึกถึงตัวเสียเลยถึงเราเองก็เหมือนกัน จะต้องเจ็บไข้ไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้แต่ว่าเมื่อจะต้องเจ็บไข้ไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้แล้วจะมาลืมตัวอิจนารอาใจสะอิดสะเอียนเมื่อเห็นคนอื่นเจ็บไข้นั้นไม่เป็นการสมควรแก่เราภิกษุทั้งหลายเมื่อเราพิจารณาได้เช่นนี้ความมัวเมาในความไม่มีโรค ของเราก็หายไปหมดสิน้นพิกษุทั้งหลายปุทุชนที่ไม่ได้ยินได้ฟังทั้งที่ตัวเองจะต้องตายไม่ล่วงพ้นความตายไปได้ครั้นเห็นคนอื่นตายก็อิดหนาระอาใจสะอิดสะเอียนไม่นึกถึงตัวเสียเลยถึงเราเองก็เหมือนกันจะต้องตายไม่ล่วงพ้นความตายไปได้ แต่ว่าเมื่อจะต้องตายไม่หล่วงพ้นความตายไปได้แล้วจะมาลืมตัวอิหราระออาใจสะอิดสะเอียนเมื่อเห็นคนอื่นตายนั้นไม่เป็นการสมควรแก่เราภิกษทุทั้งหลายเมื่อเราพิจารณาได้เช่นนี้ความมัวเมาในชีวิตความเป็นอยู่ของเราได้หายไปหมดสิน้นความสุขกับความหน่าย มาคันธียะครั้งเมื่อเรายังเป็นเครืหขัดประกอบการครองเรือนได้อิ่มพร้อมไปด้วยการมาคุณทั้งห้าให้เขาบำเรอตนด้วยรูปที่เห็นได้ด้วยจักสุด้วยเสียงที่ได้ฟังด้วยหูด้วยกลิ่นอัญดมได้ด้วยจมูกด้วยรสอันลิ้มได้ด้วยลิ้นด้วยโปทพะอันสัมผัสได้ด้วยกายล้วนแต่ที่สัตว์อยากได้ รักใคร่พอใจยวนใจเข้าไปตั้งไว้ซึ่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งราคะมาคันทียะปราสาทของเรานั้นมีแล้วสามแห่งปราสาทหนึ่งเป็นที่อยู่ในฤดูฝนปราสาทหนึ่งเป็นที่อยู่ในฤดูหนาวปราสาทหนึ่งสำหรับฤดูร้อนมาคันทียะ เราให้บัมเรอตนอยู่ด้วยดนตรีล้วนแต่สตรีไม่มีบุรุษเชื้อปนณปราศาสเป็นที่อยู่ในฤดูฝนสี่เดือนไม่ลงจากปราศาสครั้นล่วงไปสมัยอื่นมามองเห็นเหตุเป็นที่บังเกิดและความที่ตั้งอยู่ไม่ได้และความอร่อยและโทษอันต่ำทามและอุบายเป็นเครื่องออกไปพ้น แห่งกรมทั้งหลายตามเป็นจริงจึงละความอยากในการเสียบรรเทาความเดือดร้อนเพราะกรมปราศจากความกระหายในกรมมีจิตสงบณภายในเรานั้นเห็นสัตว์เหล่าอื่นอย่างไม่ปราศจากความกำหนดในกรมถูกตัณหาในกรมเคี้ยวกินอยู่ถูกความกระวนกระวายในกรรมรุมเผาเอาอยู่ แต่ก็ยังขืนเสพกามเราม่ได้ทะเยอทะยานตามสัตว์เหล่านั้นไม่ยินดีในการเสพกามนั้นเลยข้อนั้นเป็นเพราะเหตุใดมาคันทยะเพราะว่าคนเราถึงแม้ยินดีด้วยความยินดีที่ปราศจากกามหรือปราศจากาอากุศลแล้วก็ยังจัดเป็นสัตว์ที่เลวรามอยู่ เราจึงไม่ทะเยอทะยานตามสัตว์เหล่านั้นขืนเสพกามอีกเลยมาคันธียะกษาบบดีหรือบทกษาบบดีผู้มังคั่งมีทรัพย์สมบัติมากพร้อมเพรียงด้วยกามคุณห้าให้เขาบำเรอตนด้วยรูปเสียงกลิ่นรสและผลภพะอันสัตว์ปรารถนารักใคร่ชอบใจยั่วยวน เข้าไปตั้งอยู่ด้วยความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งราคะถ้าหากเขานั้นประพฤติสุจริตด้วยกายวาจาใจเบื้องหน้าแต่กายแตกตายไปพึ่งเข้าสู่สุขติโลกสวรรค์เป็นสหายกับเหล่าเทพในดาวดึงเทพบุตรนั้นมีนางอับศรแวดล้อมอยู่ในนันทวันอิ่มหนำเพียบพร้อมด้วยกาม ให้นางอับสรบำเรอตนด้วยกรรมามาคุณห้าอันเป็นทิพในดาวดึงนั้นเทพบุตรนั้นหากได้เห็นคฤหาบดีหรือบุตรของคฤหาบดีในวงเล็บในมนุษย์โลกนี้อิมหนำเพียรพร้อมด้วยกามให้เขาบำเรอตนด้วยกามอยู่มาคันธิยะท่านจะเข้าใจว่าอย่างไร เทพบุตรนั้นจะทะเยอทะยานต่อกรรมคุณของเครืบดีหรือบุตรของเครืบดีนั้นบ้างหรือหรือจะเวียนมาเพื่อกามอันเป็นของมนุษย์นี้บ้างพระโคโดมหาไม่ได้เลยเพราะว่ากามที่เป็นทิพย์น่ารักใคร่กว่าประนีตกว่ากว่ากามของมนุษย์ทรงหลงกามและหลุดจากกาม ดูก่อนมหานามะครั้งก่อนแต่การตรัสรู้เมื่อเรายังไม่ได้ตรัสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่แม้เป็นผู้มีสติระลึกได้ว่ากรรมทั้งหลายมีรสที่น่ายินดีน้อยมีทุกข์มากมีความรับแขนมากโทษอันแรงร้ายมีอยู่ในกรรมนั้นอย่างยิ่งก็ดีแต่เรานั้นยังไม่ได้บรรลุสุข อันเกิดแต่ปีติหรือทำอื่นที่สงบยิ่งไปกว่าปีติสุขนั้นนอกจากได้เสวยแต่กามและอกุศลธรรมอย่างเดียวเราจึงเป็นผู้มุนกลับจากกรารมไม่ได้ไม่รู้อย่างแจ่มแจ้งในกรารมทั้งหลายอยู่เพียงนั้นดูก่อนมหานามะเมื่อใดเป็นนั้นว่าเราได้เห็นข้อนี้อย่างดีด้วยปัญญาอันชอบตามเป็นจริงว่า กามทั้งหลายมีรถที่น่ายินดีน้อยมีทุกข์มากมีความคับแคนมากโทษอันแรงร้ายมีอยู่ในกามนั้นอย่างยิ่งแล้วเมื่อนั้นเราก็เป็นผู้ไม่หมุนกลับมาสู่กามทั้งหลายรู้จักกามทั้งหลายอย่างแจ่มแจ้งได้ความรู้สึกที่ถึงกับทําให้ออกบวช ภิกษุทั้งหลายในโลกนี้ครั้นก่อนแต่การตัดสรู้เมื่อเรายังไม่ได้ตัดสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ตัวเองมีความเกิดเป็นธรรมดาอยู่แล้วก็ยังมัวหลงสแสวงหาสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดาอยู่นั่นเองตัวเองมีความแก่เป็นธรรมดาอยู่แล้ว ก็ยังมัวหลงสแสวงหาสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาอยู่นั่นเองตเนเองมีความเจ็บขไข้เป็นธรรมดาอยู่แล้วก็ยังมัวหลงสแสวงหาสิ่งที่มีความเจ็บขไข้เป็นธรรมดามอยู่นั่นเองตเนเองมีความตายเป็นธรรมดาอยู่แล้วก็ยังมัวหลงแสวงหาสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาอยู่นั่นเองตนเองมีความโศก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 ความแก่ความเจ็บไข้ความตายความโศกความเศร้าหมองตัวรอบด้านเป็นธรรมดาภิกษุทั้งหลายบุตรและภรรยามีความเกิดเป็นธรรมดามีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดามีความโศกเป็นธรรมดา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 มีความเกิดเป็นธรรมดามีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดามีความโศกเป็นธรรมดามีความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาไก่สุกรมีความเกิดเป็นธรรมดามีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา มีความตายเป็นธรรมดามีความโศกเป็นธรรมดามีความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาช้างโคม้าลามีความเกิดเป็นธรรมดามีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดามีความโศกเป็นธรรมดา มีความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาทองและเงินเป็นสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดามีความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาสิ่งที่มนุษย์เข้าไปเทิตทูนเอาไว้เหล่านี้แลที่ชื่อว่าสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดามีความแก่เป็นธรรมดา มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดามีความโศกเป็นธรรมดามีความเศร้หอมองเดรอรอบด้านเป็นธรรมดาซึ่งคนในโลกนี้พากันจมติดอยู่พากันมัวเมาอยู่พากันสยบอยู่ในสิ่งเหล่านี้จึงทำให้คนทั้งที่มีความเกิดเป็นธรรมดามีความแก่เป็นธรรมดา <şu 1> มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดามีความโศกเป็นธรรมดามีความเศร้าหมองโดยรอรอบด้านเป็นธรรมดาอยู่เองแล้วก็ยังมัวหลงแสวงหาสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดาความแก่เป็นธรรมดาความเจ็บไข้เป็นธรรมดาความตายเป็นธรรมดาความโศกเป็นธรรมดา ที่มีความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาอยู่นั่นเองอีกภิกษุทั้งหลายความคิดอันนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าทำไมหนอเราซึ่งมีความเกิดความแก่ความเจ็บไข้ความตายความโศกความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาอยู่เองแล้วจะต้อง ไยมัวแสวงหาสิ่งที่มีความเกิดความแก่ความเจ็บไข้ความตายความโศกความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาอยู่อีกชะไหนหนอเราผู้มีความเกิดความแก่ความเจ็บไข้ความตายความโศกความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาอยู่เองแล้ว ครั้นได้รู้สึกถึงโทษอันต่ำสามของการมีความเกิดความแ ก, ามาามาามก่ความเจ็บไข้ความตายความโศกความเศร้าหมองโดยออรอบด้านเป็นธรรมดานี้แล้วเราพึงแสวงหานิพพานอันไม่มีความเกิดอันเป็นธรรมที่กเกษมจากเครื่องร้อยรัดไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าเถิดภิกษุทั้งหลาย เรานั้นโดยสมัยอื่นอีกยังหนุ่มเทียวเกศายังดำจัดบริบูรณ์ด้วยความหนุ่มที่กำลังเจริญยังอยู่ในปฐมวัยเมื่อมารดาบิดาไม่ปรารถนาโดยกำลังพากันร้องไห้น้ำตาหนองหน้าอยู่เราได้ปลงผมแนนวดครองผ้าย้อมฝาดออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีเรือนแล้ว ภารัวาชะในโลกนี้ครั้งก่อนแต่การตรัสรู้เมื่อเรายังไม่ได้ตรัสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ความคิดนี้เกิดแก่เราว่าขราวาศคับแคบเป็นทางมาแห่งทุลีส่วนบรรพชาเป็นโอกาสว่างผู้อยู่ครองเรือนจะประพฤติประมรจันให้บริสุทธิ์บริบูรณ์โดยส่วนเดียว เหมือนสังที่เขาขัดดีแล้วโดยง่ายนั้นไม่ได้ถ้าฉชนไหนเราพึงปลงผมและหนวดครองผ้าย้อมฝาดออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีประโยชน์เกี่ยวข้องด้วยเรือนเถิดดังนี้การออกหนวดราชากุมานครั้งก่อนแต่การตรัสรู้ เมื่อเรายังไม่ได้ตรัสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ได้เกิดความรู้สึกขึ้นภายในใจว่าชื่อว่าความสุขแล้วใครๆจะบรรลุได้โดยง่ายเป็นไม่มีความสุขเป็นสิ่งที่ใครๆบรรลุได้โดยยากดังนี้ราชากุมารครั้นสมัยอื่นอีกเรานั้นยังหนุ่มเทียวเกษายังดำจัด บริบูรณ์ด้วยเยาวอันเจริญในปฐมวัยเมื่อมารดาบิดาไม่ปรารถนาด้วยกำลังพากันร้องไห้น้ำตานองหน้าอยู่เราได้ปลงผมและหนวดคลองผ้าย้อมฝาดออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีเรือนแล้วออกโผนวดเมื่อพระชนมายุย9 ดูก่อนสุพัทธเรามีอายุได้ส0สิบหย่อนหนึ่งโดยไว้ได้ออกนรระชาสะแสวงหาว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นกุศลดังนี้จบภาคหนึ่ง